บุกทูยี่สิบดวาการสนทนาหนึ่งมาลรออากวรเอเดนทำตัวตามสบายครับ ทรเทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะครับจูสตค ค, คุณอยากดื่มอะไรครับ ค, คุณชอบดนตรีไหมครับ ผมชอบดนตรีคลาสสิกครับ Yes yesakam k นี่คือซีดีของผมครับ Evig m u คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นไหมครับ с ว и р и т е л ล н นา е к о อย н с т р у м е н т t สวลนาเนย instrument เนก g u i t a т ของผมครับเอเวยา а มยตา g i t a อเว g i t คุณชอบร้องเพลงไหมครับอบดปเอดเปต คุณมีลูกไหมครับ Imate l i d e a i l a คุณมีสุนัขไหมครับ Imate licuče. ค, คุณมีแมวไหมครับ Imate l i m a t a a k a นี่คือหนังสือของผม е อ е ги моите книги. ิเอเว м ิมูิตะคณิผมกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้ยาสเซกายาชิตามอ а าคณิกายาสเซกายาชิตามอวาคณคุณชอบอ่านอะไรครับออบูออบูด คุณชอบไปดูคอนเสิร oh ์ตไหมครับคุณชอบไปดูละครไหมครับคุณชอบไปดูโอเปร่าไหมครับ อดิตเอลิราโดน่าโอเปราอดิตเอลิราโดน่าโอเปรากรุณาไปที่ w w w b o o k 2 d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด